เช่นไม่หวีผมเนี้ยไม่ค่อยวีผมเท่าไหร่ภรรยาก็มักจะท้วงติง อ, อยู่บ่อยๆมีวันหนึ่งเขาก็จอดไปทำงานภรรยาเห็นก็ทักเขาว่าให้หวีผมนะพอได้ยินเท่านั้นแล้ะเขากโกรดเลยนะนึกฉุนขึ้นมาในใจพูดอย่างนี้กูได้ยังไงนะ ภูเป็นวิทยากรระดับชาตินะเว้ยแต่ก็ดีที่เขามีสติรู้ทันนะก็เลยไม่พูดออกไปถ้าพูดไปนี่คงจะเป็นเรื่องนะเรื่องนี้เพื่อนก็คนนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังเองนะเราด้วยความขำนะแต่ตอนนั้นเนี่ยโกรธนะตอนนั้นไม่พอใจทําไมถึงไม่พอใจนะเพอ ร, รู้สึกว่าตัวกูเนี่ยมันถูกกระแทกนะ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 ซึ่งพอยึดเอาไปแล้วเนี่ยว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยในแง่นึงก็ปลื้มนะเหมือนนักเรียนเนี่ยหัวโขนอาจจะได้แก่ความเป็นคนเก่งนะเป็นห้องอยุนฉันเป็นนักเรียนห้องคิงนะฉันเป็นรุ่นพี่นะอันนี้ก็เป็นหัวโขนแบบหนึ่งเหมือนกันนะเรียว่าสมมุตินะ หรือว่าสิ่งที่เรียกขานกันบางทีก็ไม่มีใครเรียกขานนะแต่เราเอาอออเองพอยึดเอาไว้แล้วเนี่ยว่ากูเป็นนั่นกูเป็นนี่เนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกปลื้มนะรู้สึกตัวพองใจฟูแต่ว่ามันก็สามารถจะทําให้เราทุกข์ได้ง่ายเหมือนกันมันมันก็ลูกโป่งนะถ้า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 ก็เอามาเล่าเป็นเรื่องคําได้ว่าเนี่ยไอตัวกูนี่มันหรืออั ต, ตานี่มันมันร้ายนะนะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มันก็ทําให้เป็นเรื่องใหญ่ได้นะเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูนี่แหละมีผ้ารูปหนึ่งเนี่ยนะเดิมก็เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการนะอายุประมาณสักสี่สิบได้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 แต่บ่อยครั้งเนเวลาหลายคนเนี่ยได้ยินคำต่อว่าด่าทอแทนที่จะหาทางหลบนะกับเอาตัวกูออกไปรับนะมันก็เจ็บเขาด่ากูเขาด่ากูนะพอรู้สึกว่าเขาด่ากูเนี่ยมันปวดมันโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะแต่คนฉลาดคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เอาตัวกู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 นับถือพระตนัตไตรเขาก็เลยเสียพวกเสียเพื่อนไม่มีคนมากราบก้านแห่แหนแต่ทึงน้นที่เขาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าผู้เจ้าก็เงียบนะไม่ตอบโต้จนหน้าเขาด่าเสร็จน้ำใจแล้วผู้เจ้าก็เลยถามว่าพรามเคยมีอาคันตุกะมาเยี่ยมบ้านท่านไหม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 พระเจ้าก็เตัดว่าเมื่อท่านด่าเรานะแต่เราไม่รับคําด่าของท่านคาําด่านี้จะเป็นของใครนะอันนี้พระเจ้าเนี่ยท่านโปรงไม่ทุกนะเพราะว่าไม่เอาไม่สนใจคาําด่าหรือไม่รับคําด่าของเขาเนี่ยเอามาไว้ให้มารบกวนจิตใจอันนี้เรียกว่ารู้จักหลบนะคือไม่เอาตัวกูเข้าไปรับนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เขาด่าก็รับเลยเขาด่าว่าเราเป็นหมูเป็นหมานะเป็นวรนุษย์นี่ก็รับเต็มๆเลยแล้วเป็นอย่างนัก็โกรธน้าสมควรโกรธหรือเปล่าเนะี่ยหลงพรอชาตันพูดว่าเนี่ยเวลาใครใครเขาด่าเราเป็นหมูเป็นหมานะก่อนที่จะโกรธก็คลั่ที่ก้นก่อนว่ามีหางงอกหรือเปล่านะถ้าไม่หางไม่ได้ ง, งอกก็จะไปโกรธเขาเพราะเขาพูดอะไรไปมันก็ เราเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอันนี้เรารู้จักหลบนะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรานะไม่มีสตินะขาดปัญญาเนี่ยเราก็จะเอาตัวกูขึ้นไปเข้าไปรับเหมือนกับเขา้าคว้างก้อนหินมาก็ชนะูตัวกูขึ้นไปพอชูพอปล่อยให้ตัวกูมันชูคอนะมันก็เจ็บแค่นั้นเองเพราะมันโดนก้อนหินขว้าง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 แต่ถึงแม้เรายังไม่สามารถจะมีปัญญาเห็นถึงขั้นว่าตัวกูมันเป็นมายายัางเชื่อมีตัวกูอยู่นะก็ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นหรือเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางโดยเฉพาะเวลาเจอคําต่อว่าดาทอนียต้องเก็บมันเอาไว้นะอย่าให้มันอย่าปล่อยให้มันชูคอเพราะชูคอแล้วเจ็เจ็บไอ้ตัวกูเจ็บนะแล้วเราก็ไปยึดว่าความเจ็บของตัวกูเป็น เป็นของกูเข้าไปนี่ก็หนักนะรู้จักหลบรู้จักเลี่ยงอย่างหลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อประสิทธ์ทาวโรเนี่ยนะท่านเป็นอดีตเจ้าวัดวัดถ้ำใหญ่เปรกนะสีราชาเกาะสีชังนะท่านไปบุกเบิกวัดถรำใหญ่เปรกนะตอนนั้นเป็นวัดล้างเกาะสีชังนี่สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคนยังไม่รู้จักพัทยานะ ถ้าไม่ไปบางแสนก็เนี่ยไปเกาะสีชังภูเก็ต ก, ก็ยังไม่ดังเพราะมันไกลเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มก็เยอะตอนที่ท่านพยายามรื้อฟื้นนะฟื้นฟู ว, วัดรางเนี่ยวัดธรามเยปริกนี่ก็มีนายทุนท้องถิ่นอันตภานี่ไม่พอใจหาทางขับไล่ท่านแล้วก็พระใน ว, วัดเช่นด่าว่าบางังเวลาพระบิณฑบาตก็เดินชนจนกระทั่งพระ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 หนุ่มคนนั้นก็ด่าว่าท่านด่าเสี้หายเลยหลวงพอ่อปรสิทธิ์เนี่ยนะแทนที่ท่านจะโกรธด่ากลับหรือว่าทำเป็นหูโทนล้มไม่ได้ยินซึ่งเป็นวิธีการที่คนส่วนให ญ, ญ่ใช้กันถ้าไม่ด่ากลับก็แก้งทำเป็นเงียบหลวงพ่อเดินไปหาเขายิม้มแล้วก็จับแขนเขาเขยเ่า ถามว่ามึงด่าใครมึงด่าใครนะไอ้หนุ่มเาก็บอกว่าก็ด่ามึงนะเสีท่านก็เลยยิ้มตอบ่อเออแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงอย่าด่ากูแล้วกันนะแล้วท่านก็เดินหนีไปเดินทางไปไอ้นั้นงงเลยตกลงกูด่าใครวะเนี่ยเห็นไหมคือท่านเนี่ยถูกด่าต่อหน้านี้ท่านไม่เอากูมารับนะ ถ้าคิดเออมันดาเขาดา่ามันดามึงนะไม่ได้ด่ากูนะแต่ว่าคนทั่วๆไปไม่ได้ทำอย่างนั้นนะโอยยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เขาด่ากูเขาดาข่ า, ดากนะูก็โกรธแล้วก็เกิดเรื่องทะเลาะบอกแหวงกันอันนี้เรียกว่าเอาตัวกูออกหน้าหรือว่าให้ตัวกูมันชูคอขึ้นมานะเก็บมันเอาไว้นะเก็บมันเอาไว้นะ ไม่ใช่เพราะเวลาคาด่านะแม้กระทั่งเวลาชมเนี่ยนะเราก็อย่าปล่อยให้ตัวกูมันชูคอนะเพราะว่าจริงอยู่นะคําชมถ้าให้เราปลื้มนะเขาชมกูเขาชมกูแต่ถ้าเราปลื้มในคําชมนะเวลาเขาไม่ชมเราทุกนะนะเพื่อนกดไลน์ให้เราอดีใจมากเลยนะพอเพื่อนไม่กดไลน์นี่โอ้ยเสียใจเกิดอะไรขึ้นนะฉันทําผิดตรงไหนนะ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 อาจจะใส่บ้างเป็นครั้งคราวนะแต่ก็ต้องรู้จักถอดอ ย, อย่างสมเด็จโตเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยท่านก็รู้จักถอดนะถึงเวลานะลงมาเข็นเรือเนี่ยท่านก็ไม่มีความรู้สึกสำคัญามากหมายกูเป็นสมเด็จนะจะลงมาเข็นเรือได้ยังไงทนะ่านไม่มีความคิดแบบนั้นท่านคิดแต่ว่าฉันเป็นครัวโตคนระัวโตก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองเพราะนั้นการเข็นเรือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องง่ายนะ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 มีนายพลนคนนึงถึงกับเรียกผู้จัดจา ก, การมดดาด่ามั้มึงรู้ไหมกูเป็นใครนะเพียงเพราะว่าอาหารมาช้านะคนเขาก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นนายพ ล, ลนะเขาก็เห็นว่ามาช้าก็ได้ช้ามาก่อนก็ได้ก่อนแค่นั้นเองงั้นถ้าเรารู้สึกว่าไปยึดมั่นในตัวกูวของกูมากมันจะมีอาการอวดเบ่งนะอวดเบ่งแล้วคนที่อวดเบ่งเนี่ยจะทุกข์ง่ายนะถ้าเรา